องห้าแห่งภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศัยขัดประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอาศัยขัดประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเศัยขัดประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเศัยขัดประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนคันธ์อันเป็นอ า, อานศาัยขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าเหล่านี้แล เพิ่งอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยวงเล็บสอง